กาศาสตร์ classic เนี่ยเรื่องที่มันดูเหมือนจะเป็นข้อเท็จจริงที่เรารู้กันอยู่จริงๆแล้วมันมันถูกค้นพบโดยโดยมันสมองของอัจฉริยะแล้วก็ตัวกาศ า, ศาสตสร์ classic เองเนี่ยมันเองก็มีข้อจำกัดเหมือนกันเช่นถ้าวัตถุมันเคลื่อนที่เร็วมากๆเราจะต้องเข้าไปใช้ทฤษฎีสัมพัธภาพพิเศษหรือถ้าวัตถุมันเล็กมากๆในระดับแบบอะตอมอิเล็กตรอนพวกนี้ มันกลับกลายเป็นต้องต้องใช้กลศาสตร์คอนตั้มอะไรพวกนี้กุศาสตร์คลาสสิกเลยกลายเป็นกลศาสตร์แห่งชีวิตประจำวัน mm hmm. ที่มีการประยุกต์ใช้มากมายมหาศาลมีโจทย์มากมายมหาศาลที่ท้าทายให้เราทำ You're listening to the Standard Podcast the eye-opening experience for your ears ได้ในโลกล้วนฟิสิกส์ Podcast วิทยาศาสตร์เนิร์ดเนิดที่จะพาไปเปิดโลกฟิสิกส์จากสิ่งรอบตัว บางอย่างเนี่ยดูเรียบง่ายนะคะแต่ว่าพออยากจะทําความเข้าใจมันจริงๆก็ซับซ้อนทีเดียวนะคะเรื่องของกลศาสตร์คลาสสิกก็อาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งนั้นค่ะพอเราอยากจะทําความเข้าใจการเคลื่อนไหวใดๆก็ตามในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยกลศาสตร์คลาสสิกอธิบายได้แต่ว่ามันก็ซับซ้อนอย่างที่เราบอกกันนะคะแต่ว่าใครล่ะคะจะมาคุยเรื่องซับซ้อนแบบนี้นอกจากใดๆในโลกล้วนฟิสิกส์นะคะเช่นเคยค่ะวันนี้อยู่กับฟางรัตเทโรจิตพนาค่ะและผมปองแปงอัดวโรจันธมาทิตย์ ที่หว่องแปงคะถ้าเราบอกว่าทั้งเรียบง่ายและซับซอ้อนในเวลาเดียวกันเราจะพูดถึงการเคลื่อนไหวที่มันอยู่ในส c o p e ของวันนี้แบบนั้นได้ไหมคะได้นะคือการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเห็นในชีวิตประจําวันตลอดแต่พอมาวิเคราะห์มันหรือพอมาเรียนในวิชาฟิสิกส์ซับซ้อนมากคือนี้ฟิสิกส์เนี่ยมันจะมีหลายวิชาเนาะกลศาสตร์คลาสสิกเนี่ยเป็นหนึ่งในวิชาที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะโหวตให้เป็นวิชาที่ ที่ไม่ใช่ไดเอยากด้วยนะแต่เป็นหลุดพ้นจาก F ได้ยาก<อ>มากแปลว่ามันโคตรยากไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรครับวิเคราะห์ยากใช่แล้ววันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยกฤศาสตร์คลาสสิกที่บอกว่าให้อธิบายได้การเคลื่อนไหวทั้งหมดเนี่ยการเคลื่อนไหวแบบไหนบ้างคะพอจะมีตัวอย่างให้เห็นภาพไหมคะอือคืออย่างนี้ก่อนต้องบอกว่ากฤศาสตร์คลาสสิกก็เป็นศาสตร์หนึ่งนะครับที่เกิดมาหลายร้อยปีละ แล้วมันก็ใช้ในการอธิบายธรรมชาติการเคลื่อนที่ของสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะแต่ไม่ได้ไม่ใช่ทั้งหมดมันมีขีดจํากัดของมันอยู่แต่พอพูดถึงว่าโลกทุกวันนี้เราอยู่ในโลกสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีเนาะเราอาจจะเข้าใจว่าเรามีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่แบบดูแบบไฮเทคอยู่ในยุคที่เต็มไปด้วยการส่งสัญญาณที่ไฮเทคอยู่ในยุคที่การแพทย์ไฮเทคเคมี Tech, ของยาอะไรเงี้ยไฮเทคแต่จริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะลืมไปว่า ความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่เนี่ยหรือว่ากอลาศาสตร์คลาสสิกเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่รองรับ เ, ออเทคโนโลยีแล้วก็โครงสร้างมากมายที่อยู่รอบตัวเราเป็นรากฐานที่ทําให้ต่อยอดไปสู่เรื่องอื่นๆใช่แล้วก็หลายอย่างเนี่ยมันวางอยู่บนกอลาศาสตร์คลาสสิกโดยตรงถ้าย้อนกลับไปในยุคเป็นเป็นในยุคโบรับราณเลยยุคแบบคนสร้างพีระมิดอย่างเงี้ยมนุษย์เราเนี่ยอาศัยแรงงานกับความรู้จากการลองผิดลองถูกในการ สร้างเครื่องผ่อนแรงเลยพวกเนี้นะครับเราก็เข้าใจมาได้ในระดับหนึ่งแต่มันเรียบง่ายคือความรู้ในยุคนั้นเนี่ยมันอาศัยการลองผิดลองถูกซะเยอะแต่เราสํานักก็แตกต่างกันออกไปนะไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครเอามารวมเป็นก้อนก้อนเดียวที่ใช้อธิบายการเคลื่อนที่ได้อย่างได้อย่างจริงจังค่ะแต่ทุกวันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าตึกใ ห, ใหญ่ๆเนี่ยหรือว่าเอารถไฟฟ้าก็แล้วกันเราเห็นเสาแต่ละต้นเนี่ยมันอยู่ห่างกันมากการออกแบบให้เสาพวกนี้มันสามารถรับน้ําหนักของของ ของตัวราง<น>ได้โดยที่ไม่พังลงมาอันนี้ก็อาศัยความรู้เรื่องกลศาสตร์คลาสสิกผสมกับความรู้เกี่ยวกับวัสดุมามาสร้างนะเขาว่ากลศาสตร์คลาสสิกฟังดูมันเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แต่จริงๆสภาวะนิ่งก็ก็อยู่ในนั้นด้วยการอยู่ในสมดุลของแรงอะไรพวกเนี้นะดังนั้นมันกินความหมายค่อนข้างกว้างค่ะใช่แล้วจุดเริ่มต้นใครเป็นคนเริ่มต้นที่จะศึกษาหรือทําความเข้าใจสิ่งนี้ การเคลื่อนที่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่ตลอดเวลาเนาะคนแรกๆที่พยายามสร้างทฤษฎีการเคลื่อนที่ก็คือนักคิดที่ชื่อว่าอริสโตเติลคนเนี้คิดมาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เยอะมากแต่แน่นอนว่าอริสโตเติลเนี่ยได้ชื่อว่าคิดมาแล้วแต่แบบมันผิดเหรอะนะอื อ, อคือตอนนั้นก็อาจจะเข้าใจว่าใช่แล้วแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่คือทฤษฎีของอริสโตเติลทุกอย่างเนี่ยมัน make sense หมดเลยไม่ว่าจะเป็นความเชื่อที่ว่าโลกเป็นศูนย์กลางจักรวาล น, นะครับ ก็เราเห็นโลกไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้หมุนไม่ได้อะไรเราไม่ได้เห็นแบบนะั้นเราเห็นแต่สิ่งต่าง ๆ, ๆหมุนไปรอบโลก ข, ของเราอริสตัตันยังเชื่อว่าวัตถุที่หนักเนี่ยจะตกถึงพื้นด้วยอัตราที่ไวกว่าวัตถุที่มันเบาอืเพราะนหนักกว่าตกถึงพื้นเร็วกว่าใช่ก็ยกตัวอย่างง่ายๆเอาลูกบอ ล, ลิ่งมากับขนนกอะถือไว้คนละข้างด้วยความสูงเท่ากันเนี่ยยังไงลูกบอ ล, ลิ่งก็ต้องตกถึงพื้นเร็วกว่า อ, อยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยชัดเจนมันเหมือนจะเออก็ใช่นะน่าเชื่อใช่ไหม หรือลูก ป, ปืนใหญ่เนี่ยเวลาเคลื่อนที่เนี่ยอารติสโตเทิลมองว่ามันจะเคลื่อนเป็นเส้นตรงพุ่งเป็นเส้นตรงนแล้วหักศอกลงมาแบบเนี้เป็นรป<ม>ูปสามเหลี่ย ม, มอเพราะตอนที่เราดูถ้าถ้าถ้าเห็นใครยิงธนูหรืออะไรแบบนี้ฮะที่มันเคลื่อนไปเร็วมากๆเนี่ยมันเหมือนจะพุ่งเป็นเส้นตรงจ ร, งจรงิงๆซึ่งมันก็สอดคล้องกับการสังเกตของเขาเพียงแต่เขาไม่ได้สังเกตอย่างละเอียดแล้วก็ไม่ได้ตัดปัดจจัยอื่นๆอะไรพวกเนี้ยมันก็กลายเป็นทฤษฎีที่ผิดค่ะแต่มันดูน่าเชื่อ แปล ว, ว่าสุดท้ายแล้วมีคนมาแก้สิ่งที่อริสโตเติลบอกให้มันถูกถูกคนที่มาท้าทายคนแรกๆก็คือการิเลโอนะครับจริงๆเรื่องนี้เขาเคยเล่าไว้ในประวัติของการิเลโออะไรแล้วละ่ะก็ย้อนกลับไปดูตอนเก่าๆนะครับแต่ว่าตอนเนี้เพื่อจะเข้าใจกรรสาตคลาสสิกนะการิเลโอเนี่ยมาแก้ด้วยการพยายามท้าทายก่อนเลยว่าแนวคิดที่ไม่ได้ผ่านการทดลองเนี่ยมันควรถูกตั้งคําถามการิเลโอมาทดลองสิ่งต่างๆที่อริสโตเติล ทฤษฎีที่อาริโซนได้สร้างไว้น ะ, ะไม่ว่าจะเป็นของหนักของเบาการิริเลโอเขมาทดลองเพราะว่าถ้าไม่คิดถึงแรงกันอากาศคือถ้าตัดปัดจจัยเรื่องอากาศออกไปเนี่ยหนักกระเบามันตกด้วยอัตราเดียวกันนะอ่าเขาก็ทดลองด้วยกันหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินว่าเขาขึ้นไปบนหอเอ็นปิซาแล้วก็ทิ้งลงมานะครับแต่นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ทุกวนนี้เราไม่ค่อยเชื่ออย่างนั้นกันเราเชื่อว่าการิเลโอเนี่ยเขากลิ้งวัตถุลงมา คือมันเห็นชัดกว่าอเองหอเอนเนี่ยโอปล่อยเร็วปล่อยช้าแล้วเขต้องมานั่งดูข้างล่างมันมันดูยากแล้วแล้วพอมันเร็วมากๆมันมันมันลำบากอ่ากาลิเลโอเนี่ยยังเป็นคนที่คิดอะไรที่เกี่ยวกับกลศาสตร์ที่ถูกต้องไว้หลายอย่างนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ที่เป็นกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันในยุคต่อมาอื ม, อมแปลว่านิวตันที่เราเรียนกันในห้องเรียนเนี่ยบอกว่ากฎ3ข้อของนิวตันเนี่ย ก, ก็สืบเนื่องมาจากต่อ ย, ยอดมาจากกาลิเลโออีกทีหนึ่งใช่ คือจะกล่าวว่านิวตันเนี่ยไม่ได้รับแรงบันดาลใจหรืออิทธิพลจากใครเลยก็คงไม่ได้นะครับเขาได้รับแรงบันดาลใจและอิทธิพลมาจากกาลิเลโ อ, อย่งไม่ยังไม่ต้องสงสัยเลยแต่เขาไดเา้เขามีความรู้เยอะมาก<ๆ>เขาก็ได้รับแรงบันดาลใจอ่านโน้น no นันี้จากคนนั้นคนนี้มาแล้วก็ประกอบกันเป็นทฤษฎีของเขาที่ถูกต้องกลายเป็นรากฐานหรือเป็นพื้นที่ใหญ่มากของก๊รอสซาต์คลาสสิกที่แข็งแกร่งดังนั้นถ้าถามว่าใครเป็น ผู้สร้างกฤษฎาคลาสสิกที่ที่เราเรียนกันทุกวันนี้นะไอแซคนิวตันใช่แล้วพอเราพูดถึงชื่อของนิวตันเนี่ยเราก็จะนึกถึงเลข3าและแบบมีกฎ3ข้อของเขาซึ่งคือกฎกฎคือนิวตันเนี่ยคิดกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันขึ้นมาซึ่งมี3ข้อทุกตัวค่ะแล้ว3าข้อนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาคุยกันถึง3ข้อนั้นด้วยไหมคะเราจะพูดให้เห็นภาพรวมคร่าวๆนะครับแต่จะไม่เจาะทั้ง3ข้อเ <laughs> พราะว่า ทำไมอย่างนั้นมันจะยาวมากมแต่จะให้เห็นว่านิวตันเนี่ยเจ๋งแค่ไหนก็แล้วกันนะคือกฎการเคลื่อนที่ทั้ง3ของนิวตันเนี่ยข้อหนึ่งคืออะไรครับเอาตรงๆว่าถ้าไม่ได้ทําตอนนี้คืนครูไปหมดแล้วจาไม่ได้<ต>เลยเลยแ ต, แต่อันนี้คือคือเ ค, คือเรียนสายวิทย์ปะเรียนสายสินสินจีเลยโอ้โหแต่แต่เคยเรียนเพราะอะไรเคยเรียนเพราะว่ามันเป็นวิชาบังคับในโรงเรียนค่ะ<ห>จริงตอนแบบมปลายเขาก็จะให้เราเรียนไง บบ<ม>ฟิสิกส์เคมีชีว ะ, ะแต่ถามว่าเราสนใจไ้ยจำได้ไหมก็ไม่เท่าไหร่เราก็เลยปล่อยมันเข้าใจาเข้าใจก็นะผมผมอาจจะไม่ค่อยปกติกฎสข้อของนิวตันเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยเป็นข้อที่มีความสำคัญมากและอาจจะกล่าวได้ว่าสำคัญสุดๆก็ว่าได้เพราะมันเพราะมันถูกตั้งมาเป็นข้อหนึ่ง ม, มั น, มนถูกตั้งมาก่อนข้ออื่นแต่ว่าแบบเป็นรากฐานของข้ออื่นๆด้วย เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจก่อนข้ออื่นๆมันเป็นสิ่งที่ไม่อาจมีข้ออื่นๆมาทดแทนได้ด้วยนะค่ะกฎข้อหนึ่งของนิวตันเนี่ยระบุว่าวัตถุโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยถ้ามันนิ่งมันจะนิ่งต่อของมันนะครับแต่ถ้ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่มันก็จะเคลื่อนที่อย่างนั้นอนะต่อไปเป็นเส้นตรงไปเรื่อยๆของมันข้อหนึ่งเนี่ยไม่มีไม่เกี่ยวข้องกับแรงไม่เกี่ยวถ้าถ้ามีแรงมายุง่งปุ๊บเนี่ยเราจะเข้าไปสู่กฎข้อ2กฎข้อ2เนี่ย ระบุว่าถ้ามีแรงกระทําต่อวัตถุนะครับแล้วก็บวกลบคูณหารออกมาเนี่ยมันเราจะเรียกผลรวมของแรงทั้งหมดว่าแรงลับะนะแรงลับเนี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมฟังแล้วงงงงเลยแต่ไม่ต้องงงครับคือโดยทั่วไปเวลาเราเรียนในระดับมัธยมหรือแม้แต่มหาวิทยาลัยปีหนึ่งเนี่ยเรามักจะสนใจระบบง่ายๆที่มวลไม่มีไม่เปลี่ยนแปลงเนะะะเาะพอมวลไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ย กฎข้อ2ของนิวตันมันจะลดรูปกลายเป็นซิกมา F อฟเท่ากับเอเคยได้ยินไหมเคยได้ยินมันต้องผ่านหูเรามาตอนเราเรียนค่ะแต่นี่เป็นกรณีพิเศษนะกฎข้อ2จริงๆน่ยจ้องต้องต้องนิยามด้วยอัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมคือพูดง่ายๆคือซิกมาเอฟเทกับเอเนี่ยเราใช้ได้กับได้กับวัตถุที่มันไม่เปลี่ยนแปลงมวลซึ่งในระบบที่มผมผลักแก้วน้ำเนี่ยแก้วน้ำก็ไม่เปลี่ยนแปลงมวลค่ะ ม, มวลมันยังเท่าเดิมใช่เราผลักไปแค่ไหนมวลแก้วก็ยังเท่าเดิมแต่ระบบที่เปลี่ยนแปลงมวลที่ชัดที่สุดก็คือจรวด ถ้าเราจะคำนวณอะไรที่เกี่ยวข้องกับจรวดเพราะจรวดมันมีการขับดันเชื้อเพลิงออกมาตลอดเนี่ยนะเราต้องย้อนกลับไปที่กฎข้อสของนิวตันแล้วก็พิสูจน์อะไรพอสมควรถึงจะได้สมการที่ใช้อธิบายธรรมชาติของจรวดได้ก็เลยกันนะ อ, อันนี้คือเป็นกฎข้อ2ของนิวตันคือธรรมชาติเมื่อมีแรงกระทําและกฎข้อ3ของนิวตันก็คือเมื่อมีแรงกระทําต่อวัตถุหนึ่งวัตถุนั้นจะออกแรง Reaction อืมแอคชัน่นเท่ากับเรียกชั่นเนี่ยท่องมาอืมนะฮะแต่มันอยู่ในทิศ ต, ตรงข้ามแล้วก็กระทำกับวัตถุคนละชิ้นเสมอเช่นถ้าผมเอามือเอามือฟาดโต๊ะลงไปด้วยแรงค่าหนึ่งเป็นแอคชัน่นโต๊ะนี่ก็จะเรียกชั่นเป็นแรงที่มีค่าเท่ากันกับกับมือผมนะแต่อยู่ในทิศ ต, ตรงข้า ม, มแล้วก็กระทำกับพื้นผิวคนละอย่างคือมันไม่ได้ทำบนบนโตะ๊ะแต่มันจะกระทํากับมือเรางงไหม <c oughs> ไม่ไม่งงก็คือเพราะว่าเราเป็นมือเราเป็นคนแบบว่าส่ง<า>แรงลงไ ป, งไปใช่ใชโต๊ะก็จะส่งแรงฟาดมือเรากลับด้วยแรงเท่ากันแต่ทีต่ตรงข้า ม, มเรียบง่ายเนาะแต่จริงๆแต่ละกฎ เ, เนี่ยมันมีความลึกซึ้งมากในระดับที่ต้องเรียนกันยาวๆยาวๆนะครับเอาแค่กฎเกี่ยวกับการกดข้อ2ของนิวตันที่เราจะหาแรงลับเนี่ย เ, เด็กๆจะพบว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างท้าทายที่เราจะต้องเขียนแรงให้ครบถ้วน แรงที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ น, นั้นให้ครบถ้วนหรือที่เรียกว่า f r ี e b o d ด Diagram กรแล้วทีนี้แรงที่เราจะใ น, ในกฎ3ข้อที่พูดไปเมื่อกี้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันเนี่ยวันนี้พี่ปงแบงอยากจะเจาะที่ข้อไหนเป็นพิเศษไหมคะผมว่ากฎข้อหนึ่งเนี่ยหลายคนมักจะละเลยมันเข้าใจผิดบางทีก็เล่าผิดอันนี้ต้องต้องขอพูดตรงๆนะเพราะว่าผมเองก็เคยเข้าใจผิดเข้าใจผิ ด, ว, ผดว่ายัางไงคะพี่อย่างนี้ก่อนเลยกฎข้อหนึ่งของนิวตันเนี่ย บางทีเราเล่าไปแบบว่าวัตถุทั่วไปที่เนี่ยถ้ามันนิ่งมันจะนิ่งต่อไปแบบเนี้ยการพูดแบบเนี้ยแล้วบอกว่านี่เป็นทั้งหมดของกฎข้อหนึ่งของนิวตันไม่ถูกอบางคนบอกว่ามันถูกครึ่งเดียวส่วนตัวผมว่าผิดเลยนะเพราะว่ากฎของนิวตันมันจะต้องประกอบร่างกับสเตทเมนต์หรือคําที่กล่าวว่าวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เนี่ยถ้าไม่มีใครไปทำมันมันเป็นอย่างนั้นนะมันจะวิ่งด้วยความเร็วคงที่งั้นต่อไปเรื่อยๆอมันต้องประกอบร่างกับตรงนี้ด้วยอ แล้วจริงๆแล้วการที่เราเห็นวัตถุอยู่นิ่งๆของมันต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่ต้องรอนิวตันเราก็เห็นใครๆก็เห็นะนะฮะแต่ความลึกซึ้งของกฎข้อหนึ่งคือว่าสภาพเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆเนี่ยมีใครเคยเห็นบ้างฟังเคยเห็นในหนังเรื่อง Inception คือมันจะมีเหมือนโทเทมเนี่ยหมนุนคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไอ้ตัวนี้หมุนไม่หยุดแปลว่าอันนั้นะไม่ใช่โลกความเป็นจริง ถ้าถ้าถ้าอิงจากในหนังให้เราดูแปลว่าหรือถ้าเทียบจากที่เราเห็นมันไม่เคยเห็นนะอะไรที่มันเคลื่อนที่โดยที่มันไม่หยุดนิ่งใช่คือสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเตะลูกบอลหรืออะไรก็ตามหรือแม้แต่ลูกขางใน Inception เนี่ยหมุนไปหมุนไปมันต้องหยุดเพราะมันมีแรงเสียดทานลูกบอลเนี่ยถ้ามันไม่มีคือมันมันกลิ้งไปเรื่อยๆนะครับมันมีแรงเสียดทานของมันแล้วมันก็จะสูญเสียพลังงานไปเรื่อยๆหรือไม่สุดท้ายมันต้องไปชนเข้ากับผนังหรืออสักอย่าง แต่การที่นิวตันค้นพบกฎข้อนหนึ่งได้เนี่ยมันเรื่องน่าทึ่งมากมหรือจริงๆต้องบอกว่าการเลิเลโอเนี่ยเขาเจอกฎข้อนหนึ่งก่อนนิวตันซะอีกอนะอันนี้เป็นเป็นหนึ่งในการทดลองหรือการคิดในจินตนาการที่อาจจะช่วยทําให้เราเนี่ยเข้าใจมันได้เดี๋ยวเปิด<ะ>รูปให้ดูครับค่ะลองจินตนาการถึงลูกบอลที่มันกลิ้งอยู่ในชามอ่างนะฮะค่ะปกติแล้วลูกบอลมันจะต้องสูญเสียพลังงานแล้วมันก็จะต้องค่อยๆกลิ้งช้าลงหยุดลงไปในที่สุดน ะ, ะไปไปหยุดอยู่ที่ก้นชามนะ สมมติว่าถ้ามันไม่เสียพลังงานล่ะคือนักฟิสิกส์เวลาคิดอะไรเนี่ยเราจะลองจินตนาการคือใครบอกว่าฟิสิกส์เป็นจินตนาการไม่จริงนะเราจินตนาการบ่อยเราเข้าสู่โลกอุดมคติบ่อยมาก อ, มอันนี้สมมติว่าถ้ามันไม่สูญเสียพลังงาน<ะ>ลูกบอลมันต้องกลับไปที่เดิมเอ่อที่ระดับความสูงเดิมของมันไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเรื่อยๆไม่หยุดไปเรื่อยๆไม่หยุดถ้าไม่สูญเสียพลังงาน<ะ>อ่ะเรามาดูรูปต่อไปถ้าเราทําให้ขอบชามอ่างด้านหนึ่งมันมันเอียงกระเทยออกไปมากขึ้นเนี่ย เรเพราะว่ามันก็ต้องสูงขึ้นที่ระดับความสูงเดิมของมันค่<ฮ>ะแต่ความต่างจากรูปแรกคือลูกบอลเนี่ยมันจะกลิ้งออกไปไกลขึ้นอแล้วถ้าเราทําให้ขอบชามอ่างด้านหนึ่งมันค่อยๆนอนมากขึ้นนอนมากขึ้นมันก็จะต้องพยายามไต่ขึ้นระดับความสูงเดิมของมันไปเรื่อยๆแต่ถ้าในลิมิตที่ความสูงของขอบด้านหนึ่งมันเรียบไปเลยอลูกบอลก็จะกลิ้งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโดยไม่หยุดโดยที่มันไม่มีแรงกระทําหรือเป็นธรรมชาติของมันค่ะ กฎข้อหนึ่งของนิวตันเนี่ยอาศัยจินตนาการที่เกิดจากอัจฉริยภาพของกาลิเลโอของนิวตันเออจริงๆต้องบอกว่าอย่างการเคลื่อนที่ของวัตถุในอวกาศอย่างเงี้ยถ้ายานอาวกาศในในหนังอวกาศอะครับมันหยุดมันหยุดเครื่องยนต์อะหลายเรื่องมันหยุดนะจริงๆมันต้องไม่หยุดนะ ม, มันจะต้องพุ่งต่อไป เพราะตอนแรกมันมันโดนขับเคลื่อนมาค่ะเพอหยุดเครื่องยนต์ปุ๊บอะไรเลยเรื่องยานมันหยุดน่ะ ม, มันต้องไม่หยุดมันมีความเฉื่อยมันต้องพุ่งต่อไปตามกฎข้อหนึ่งของนิวตันจะทําให้ยานหยุดเนี่ยคุณจะต้องมีแรงผลักในทิศตรงข้ามมันถึงจะหยุดใช่เอ อ, อนะครับค่ะนั่นแหละจะเห็นได้ว่ากฎข้อหนึ่งของนิวตันเนี่ยมันมีความลึกซึ้งในแง่ของการทําความเข้าใจสภาพการเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่ตรงนี้อยู่ถามว่ามันสําคัญยังไง มันสำคัญมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการอธิบายการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์อคือถ้าเราไม่มีกฎข้อหนึ่งของนิวตันหรืออะไรพวกนี้เราจะอธิบายการเคลื่อนที่ของสิ่งต่างๆให้ถูกต้องไม่ได้เล ย, ยแล้วทีนี้ถ้าเรากลับมาที่เรื่องของกลศาสตร์เมืม่อกี้เราถึงยุคของนิวตันแล้วเรื่องของกลศาสตร์เนี่ยมันถูกพัฒนาต่อไปโดยใครอีกไหมคะหรือว่ามันไปต่ อ, อยังไงบ้างอ๋อมันต้องไปต่อเพราะว่ากฎของนิวตันเนี่ยในการจะเขียนแรงให้มัน การทำกับวัตถุให้ครบทุกแรงต่อให้ระบบที่ทําได้เนี่ยมันก็ยากนะครับแต่บางระบบเนี่ยมันเขียนไม่ได้ยกตัวอย่างระบบที่เรียบง่ายที่สุดก็เช่นการถลายของวัตถุบนผิวโค้งอเอาเอา ง, ง่ายๆเช่นเช่นผม ม, ผมีผมมีรถอยู่อยู่บนเนินแล้วจะให้มันถลายลงมาตามพื้นที่แบบยืดยืดยืดยืดแบบ ม, มันจะอธิบายมันยังไงเราจะเขียนแรงที่กระทําทุกจุดยังไงอมันขยับมานิดนึงผิวโค้งเนี้ย ผิวโค้งเนี่ยก็อธิบายยากแล้วแล้วขยับมาอีกนิดนึงมันโค้งมันเปลี่ยนไปอีกอ่แรงก็เปลี่ยนอีกล้มันเปลี่ยนตลอดเวล า, ามันมันสิ้นหวัง <laughs> <อ>มันสิ้นหวังโอเคโดยหลักการมันควรจะได้แต่ต่อให้ใช้คอมพิวเตอร์ที่สุดยอดมันก็ไม่ไหวะนะมันก็มีนักฟิสิกส์ในยุค ต, ต่อมาเนี่ยพัฒนากลาศาสตร์ของนิวตันขึ้นมาในรูปแบบของตัวเองซึ่งคนที่มีชื่อเสียงที่สุด2คนก็คือโจเซฟหลุยส์ลากรอง กับคุณโรวันฮามิลตันสองคนนี้เนี่ยพัฒนากลศาสตร์ในรูปแบบของตนเองขึ้นมาอย่างโจเซฟหลุยละกรองเนี่ยเขาจะพัฒนาขึ้นมาอยู่ในรูปของตัวแปรที่เรียกว่าลากรังเจียนส่วนคุณโรวันฮามิลตันก็จะพัฒนาขึ้นมาในรูปแบบตัวแปรที่เรียกว่าฮามิลตันเนียนแต่ทั้งอสองอย่างเนี่ย ม, มันอธิบายสิ่ง ต, ต่างๆในมิติของพลังงานนะครับแปลว่ามันต่อยอดจากกลศาสตร์ที่นิวตันได้คิดเอาไว้อีกใช่แล้วมันก็ทําให้การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ ห ล, หลายระบบอย่างเช่นระบบการถลายลงมาบนบนผิวโคพวกเนี้ถูกแก้ได้แบบทุกวันนี้ง่ายไปเลย oh. ง่ายแบบคือถ้าออกกล้วยมาปอกอะผมว่ายังยากกว่าอีกโ oh, <okay. S 2> อเคแล้วทุกวันนี้การแก้ปัญหาในมิติของพลังงานพวกนี้ยมันก็อยู่ในอยู่ในฟิสิกส์ที่เราเรียนกันในระดับมัธยมปลายและวมสี่ก็เรียนละอแล้วนะครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราบอกว่าโอเคเรามาถึงยุควันนี้เนี่ยไอหลักกลศาสตร์คลาสสิกที่เราคุยกันเมื่อกี้ทั้งหมดที่หลายๆท่านเนี่ยพัฒนากันมา มันกําลังไปในทิศทางไหนงานวิจัยในยุคปัจจุบันเนี่ยนํเาเอากลาศาสตร์คลาสสิกไปใช้ต่อยอดอะไรกันอยู่บ้างอปัจจุบันนะคือทุกวันนี้เราเอามาคือเห็นได้ชัดว่ากลาศาสตร์คลาสสิกเนี่ยเราใช้ในการอธิบายการเคลื่อนที่ของของสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจําวันนะแนวทางนึงก็ใช้อธิบายการเคลื่อนที่ของของพวกจรวดบ้างเครื่องบินบัง่งรถยนต์บ้างเราพยายามมีการออกแบบเชิงวิศวกรรมให้ของพวกนี้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ รถยนต์ก็ต้องออกแบบให้มันมีแรงต้านลดลงบ้างออกแบบให้เวลาเกิดการชนขึ้นมาเนี่ยทำยังไงให้การชนเนี่ยมันเกิดเอฟเฟคต่อคนที่อยู่ข้างในน้อยที่สุด<ฆ>นะพวกนี้จะต้องมีระบบการออกแบบกันชนให้มีรูปร่างมีอะไรพวกนี้นะฮะเลือกวัสดุที่มันจะเปลี่ยนแปลงรูปแบรูปร่างในขณะชนแล้วก็รับพลังงานเนี่ยไปเต็มๆให้มากที่สุดแล้วก็พวกแอร์แบกอะไรพวกนี้ไอ้ตรงนี้จะเป็นเรื่องของเคมี Me, ละ<ฆ>จริงๆตรงนี้ก็น่าสนใจแต่ไว้ก่อน<ฆ>อนะครับ แล้วก็อย่างเครื่องบินเนี่ยการอธิบายว่าเครื่องบินมันมีแรงยกได้อย่างไรอะไรพวกนี้ก็อยู่ในกรอบของ ก, กลศาสตร์คลาสสิกทั้งสิน้<ม>นนะการพัฒนาอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แล้วระบบสแตติกให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นตรงนี้เป็นหนึ่งในางานวิจัยด้านหนึ่ง<ม>อีกด้านหนึ่งก็จะไปเรื่องเกี่ยวกับการพยายามศึกษา ว, วัตถุที่มีหลายชิ้นเออย่างวงแหวนดาวเสา<ม>พวกนี้ภายใต้แรงโน้มถ่วงเนี่ยกลศาสตร์ของวัตถุที่แบบมันมีจํานวนเยอะๆพวกนี้นะฮะมันค่อนข้างซับซ้อนมากคืองี้เพื่อนผมเนี่ย เขาเป็นเจ้าของโรงงานครับน้องฟัง <Okay. S 2> เขาเคยโทรมาถามผมว่า <Okay. S 2> เขาลำเลียงวัสดุประเภทแบบคล้ายๆเม็ดข้าเปลือก อ, อยู่ในอยู่ในท่อ <Huh. S 2> แล้วจุ่ๆมันไปนติดอยู่ในท่ อ, อแก้อย่างไงแก้อย่างไงด้วยด้วยกุลศาสตร์คลาสสิกเหรอคะใช่มันแก้ได้ oh. แล้วก็มีการศึกษาเขาเรียกว่าศาสตร์เนี่เขาเรียกว่า granular material คือ ต้องบอกว่ากลฤาาษร์คลาสสิกเนี่ยมันมีคนเอาไปต่อยอดอีกแนวทางหนึ่งคือเอาไปวิเคราะห์ของไหลเช่นคุณแบรนูลี่นะฮ ะ, ะ, อ, ะอันนี้ก็เป็นโกลาศาสตร์ของไหลไปซึ่งว่างอยู่บนนิวตันหมดเลยนะแต่ว่าแกลนูร่าเมสเซียลเนี่ยหรือวัสดุที่เป็นเม็ดพวกเข้าเปลือกพวกเม็ดเข้าโพดพวกแบบเม็ดแป้งผงแป้งอะไรพวกเนี้ยตอนมันไหลอ ย, อยู่ในท่อเนี่ยมันเหมือนของไหลเลยแต่พอมันติดเนี่ยมันกลายเป็นของแข็งเขาเรียกเกิดแ j a m m i n คือมันติดคทีเนี้ยการศึกษาเรื่องพวกเนี้ยต้องไปพยายามทําให้มันไม่ติด ออกแบบยังไงให้มันไม่ติดแล้วบางครั้งเราอยากให้มันติดทํายังไงให้มันติดอย่างเงี้ยแต่ระบบที่อยากให้มันติดก็เช่นภูเขาหิมะหรือหินเนี่ยฮะเวลามันถล่มลงมาเนี่ยทำยังไงให้มันติดกันมากที่สุดหรือว่าเราจะออกแบบตัวป้องกันเซฟตี้ไม่ให้มันหล่นลงมาใส่ถนนยังไงพวกนี้เราอยากให้ไอ้ที่ไหลลงมาให้มันติดพวกนี้เออมันเรียนผูกเรียนแก้พวกนี้อยู่ในหัวข้อที่เรียกว่า granular material ซึ่งอาศัยความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์คลาสสิกกับ แบบจำลองคอมพิวเตอร์ซึ่งผมอันนี้ผมไม่ชอบพอฟังมาถึงตอนนี้พี่ป๋องแปงฟังก็นึกถึงตอนที่เราคุยกันเรื่องของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษพี่ป๋องแปงก็บอกว่าเออมันมีความสวยงามแล้วมันเป็นแรงบันดาลใจให้พี่ในเรื่องของการศึกษาฟิสิกส์กกเลยแล้วอย่างกลาศาสตร์คลาสสิกเนี่ยสำหรับพี่ป๋องแปงมันมีสเสน่ห์ยังไงคะผมว่ากลาศาสตร์คลาสสิกเนี่ยมันมันมีสเสน่ห์ตรงที่การพยายามวิเคราะห์ระบบที่มันดูเรียบง่ายนะฮะมันมี art of thinking เนี่ยนะคือ อายกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะวิเคราะห์การตกของลูกฟุตบอลที่ถูกเตะออกไปจากเท้านักเตะคนนึงเนี่ยเราจะเริ่มวิเคราะห์มันยังไงเราจะวิเคราะห์มันโดยให้โลกของเราเนี่ยโคจรไปรอบดวงอาทิตย์ไหมเราจะคิดผลแบบนั้นหรือเปล่าคาตอบคือเริ่มต้นเลยเราจะพยายามทำให้ระบบเนี่ยเรียบง่ายที่สุดเราอาจจะเริ่มต้นจากการประมาณว่าลูกฟุตบอลเนี่ยมันเป็นจุด ไม่ต้องมีรูปร่างด้วยซ้ําอือแล้วแรงที่กระทาหลักๆแล้วมีแค่แรงที่เนักเตะเตะเข้าไปนะครับแล้วก็ต้องเตะตรงตรงจุดนั้นนะแล้วก็มีแค่แรงโน้มถ่วงเอาแค่สองแรงนี้ก่อนซึ่งเป็นแรงหลักๆอะไรแบบเนี้ยจะเห็นว่ามผมว่ามันมีมันมีปรัชญาของมันอยู่คือเราจะพยายามมองให้ออกว่าอะไรคือสิ่งสําคัญที่เราต้องเอามาคิดออือะไรที่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 หรือถ้าวัตถุมันเล็กมากๆในระดับแบบอะตอมอิเล็กตรอนพวกนี้มันกลับกลายเป็นต้องต้องใช้กลาศาสตร์ควอนตัมอะไรพวกเนี้นะกลาศาสตร์คลาสสิกเลยกลายเป็นกุลาศาสตร์แห่งชีวิตประจําวันที่มีการประยุกต์ใช้มากมายมหาศาลมีโจทย์มากมายมหาศาลที่ท้าทายให้เราทำํำ ม, มองให้ออกมองให้เห็นได้ยังไงว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นเป็น art of thinking คือเป็นศิลปะ ค, ความคิดเหมือนกันซึ่งอันนี้อาจจะดู ไม่รู้เหมือนกันนะาะว่ามนุษย์เราเวลาแก้ปัญหาปัญหาหนึ่งที่มันเข้ามาครับอันนี้ผมส่วนตัวนะไม่ไม่อาจจะไม่เกี่ยวกับคนอื่นผมว่าเราจะเห็นว่ามันเยอะมากเลยเวลามีปัญหาชีวิตสักช่วงหนึ่งแต่เรื่องเนี้ยอาจจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันคือเฮ้ยอะไรสําคัญ เ, ออเรียงลําดับยังไงเออโปรโตโคอลตรงนี้มันกลายเป็นสิ่งที่ที่ช่วยให้ผมเอาไปแอปพลายได้บ้างเหือนกัน พอฟังวันนี้แล้วฟังนัองสุว่ามันน่าทึ่งมากเลยนะที่เราเห็นเห็นเรื่องที่เฮ้ยมันก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเช่นแบบไอ้การ อยู่นิ่งๆหรือว่าการเคลื่อนที่อะไรเงี้ยแต่พอมาเห็นภาพว่าขยายภาพทำควอมเข้าใจแล้วเอาไปต่อยอดแก้ไขปัญหายากๆของโลกแก้ไขเพนพลอย point, แก้ไขแบบการรับมือกับภัยพิบัติอย่างที่พี่ป่องแตงบอกเงี้ยรู้สึกว่าโอ้ทึ่งมากแล้วก็การเคลื่อนที่ที่เราคุยกันว่าก็เห็นอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยอาจจะเป็นแบบพี่ตอนที่ฟังเปิดตอนแรกแหละว่ามันเรียบง่ายแล้วก็ดูเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าไอ้ความธรรมดานั่นแหละมันสวยงามแล้วก็ซับซ้อนจริงๆเลยนะ่ โอเคค่ะก็กลับมาพูดคุยกับใดๆในโลกโลนฟิสิกส์กันได้ในตอนหน้านะคะใครที่ฟังตอนนี้แล้วมีความเห็นยังไงหรือว่าอยากต่อยอดอยากฟังเรื่องไหนต่อก็พิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันไว้ได้เดี๋ยวเราไปตามอ่านกันนะคะแล้วก็ฝากกด Subscribe นะคะ YouTube c h a ของ l ขอ The s t a n d a r d p o d c a ต t ติดตามพวกเราได้ในทุกๆ Podcast Player เลยนะคะวันนี้ฟังแล้วก็พี่ป๋องแปงลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ